สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิภิบารนะครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เราอยู่ในประเด็นที่2ครับของกฎที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตครับซึ่งกฎนี้เป็นกฎหมายเลขที่15นะครับกฎข้อที่1ิ้กฎแห่งการเจริญเติบโตครับพี่น้องครับประเด็นที่สําคัญในวันนี้เป็นเรื่องของฤทธิเดชหรือพลัง พระเจ้าจัดเตรียมให้ในขณะที่กำลังแสวงหาพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าตลอดทั้งตอนในกฎแห่งการเติบโตครับได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรมสองเปโตบทที่1ข้อที่3ถึงข้อครับ2เปโตบทที่1ข้อที่3ถึงข้อโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าวิดเดทของพระเจ้า ได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จาเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองโดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เราเพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลก เกิดจากความปรารถนาชั่วและจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทรห็ดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเอง และเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความโรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไรประโยชน์และไม่ไรผลในการรู้จักพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่า ผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วเพราะเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายจงพยายามมากขึ้นที่จะยืนยันการทรงเรียกและการทรงเลือกพวกท่านนั้นเพราะว่าถ้าท่านทำเช่นนั้นท่านจะไม่มีวันลม้มลงเพราะโดยวิธีนี้ ทางที่จะเข้าอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยรอดของเราจะถูกจัดเตรียมอย่างพร้อมมูลให้กับพวกท่านพี่น้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้เป็นพระกัมภีร์ที่ทรงคุณค่ามากนะครับท่านเปรโตนั้นท่านได้เตือนสติและให้สัจธรรมความจริงที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเองนั้นจะต้องแสวงหาการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณครับ และสิ่งที่ทำให้เราเติบโตนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและฤทธเดชหรือฤทธอํานาจของพระองค์พลังแห่งฤทธเดชของพระเจ้านั้นที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านะก็เราจำเป็นมากที่จะต้องรับสิ่งเหล่านี้มาและฤทธเดชของพระเจ้านั้นเกิดจากการที่เรารู้จักพระองค์ครับเมื่อเรารู้จักพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและด้วยคุณธรรมของพระองค์พระองค์ได้ประทานสัญญาหรือพระสัญญาอันล้ำเลิศและยิ่งใหญ่ให้กับเราและโดยสัญญาเหล่านี้เองเราจะพ้นจากความเสื่อมซามที่มีอยู่ในโลกความเสื่อมซามที่มีอยู่ในโลกนั้นมันเกิดจากความปรารถนาชั่วครับและเราจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าโอ้พี่น้องครับในเรื่องนี้ ชีวิตของเราจะบริสุทธิ์ขึ้นชีวิตของเราจะมีบาปน้อยลงและเราจะมีส่วนเราจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเยพี่งครับนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าเป็นสัญญาอันยิ่งใหญ่และล้ำค่าเมื่อวานนี้ครับเราได้กล่าวถึง 4. ประการที่เราจะต้องแสวงหานะครับเราต้องแสวงหาชีวิตและคุณธรรมที่อุดมสมบูรณ์เราจะต้องแสวงหา พระเจ้านะครับพระสิริของพระองค์เราจะต้องแสวงหาพระสัญญาอันล้ำเลิศประเสริฐยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราจะต้องแสวงหาความเสื่อมที่มีอยู่โลกนี้เพื่อเราจะมีส่วนในพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูต่อในข้อที่ห้าถึงข้อที่7นะครับข้อที่ห้าถึงข้อที่7นะครับอ่านได้ดังนี้ ด้วยเหตุนี้เองพวกท่านจงพยายามอย่างที่สุดที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อของพวกท่านเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมแล้วการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้เอาความทรหดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองแล้วความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทรหดอดทนเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าแล้วความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องพี่น้องครับ โปรดอย่าลืมนะครับว่าขณะที่เราแสวงหาการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณพระเจ้าได้เตรียมหนทางเตรียมบันไดหรือเตรียมริดเดชที่พระองค์จะเตรียมให้ขณะที่เราแสวงหาการเตริบโตนี้อยู่ท่านศาส า, าจารย์ดตรฟิลิปเทงนะครับได้ให้ข้อคิดอย่างนี้ครับว่าคำว่าเพิ่มเติมภาษาเดิมหมายความว่า จัดหาให้ครับภาษาวัยรุ่นสมัยนี้คือจัดให้เลยพระเจ้าจัดหรือเพิ่มเติมสิ่งต่างในขณะที่เราแสวงหาการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเราคำคานี้นะครับคาว่าเพิ่มเติมมีประวัติเบื้องหลังศั์คานี้คือว่าทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองก็จะทำเวทีจัดที่นั่งให้จัดหาให้ เพื่อให้วงดนตรีได้ขึ้นนั่งบรรเลงตอนแรกการแสดงมีเพียงคนเดียวต่อมาก็เรียงตามลําดับนักดนตรีขึ้นมาสมทบทีละคนสองคนตอนเริ่มต้นมีเครื่องนเพียงชิ้นเดียวครับแต่ก็จะทยอยเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเสียงดนตรีที่ถูกเล่นด้วยหลายๆคนพร้อมๆกันก็จะยิ่งไพเรมาะมากยิ่งขึ้นเพราะการเติมเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มเวทีตามที่จัดไว้ให้ ในแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละสเตปแต่ละขั้นตอนนั้นก็นำไปสู่ชัยชนะมันเหมือนกับการขึ้นบันไดครับเราจะก้าวสูงขึ้นไปก้าวสูงขึ้นไปก้าวสูงขึ้นไปเจ้าภาพงานที่จัดฉลองเป็นผู้จ่ายค่าแรงและค่าใช้จ่ายทุกอย่างของการแสดงและเจ้าภาพผู้นั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษาอังกฤษนั้นเวลาที่เราเรียกคณะนักร้องเราเรียกว่าคอรัส คอรัสนั้นคำคำนี้มาจากภาษากรีกที่ได้ผันแปลมามีความหมายว่าจัดหาให้และยังหมายความว่าร่วมบรรเลงด้วยกันคอรัสนะครับคำคำนี้มาจากภาษากรีกที่ผันแปลมามีความหมายว่าจัดหาให้และยังหมายความว่าร่วมบันเลงด้วยกันดังนั้นคำว่าเพิ่ม<น>ตเตมิม หมายถึงเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นร่วมกันบรรเลงทําให้เสียงเพลงไพเราะเหมือนกับนักร้องหลายหลยคนนะครับร่วมกันขับร้องขับขานทําให้เพลงนั้นมีความไพเราะทุกครั้งเลยครับที่ได้เพิ่มคุณธรรมสักอย่างหนึ่งก็ทําให้ดนตรีไพเราะมากขึ้นไพเราะที่ไหนครับไพเราะที่พระกันของพระเจ้าพระเจ้าทรงจัดหาให้ตามที่ต้องการ ตามพระคุณนะครับและตามกําลังในการสแสวงหาด้านจิตวิญญาณของพวกเราพี่น้องครับเราสามารถเบิกได้นะครับขอการจัดหาให้ขอการเพิ่มกําลังขอฤทธเดชจากพระคุณของพระเจ้าได้อย่างมีอิสระเสรีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่าศาสตราจารย์ดอรฟิลิปแทงนั้นได้อธิบายความและหนุนใจพวกเรา ขณะที่เรากำลังเดินทางชีวิตยอยู่ในโลกนี้พี่น้องครับเราจะมีฤทธิเดชที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ในการที่เราจะก้าวสูงแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นติดตามพระเจ้าขึ้นไปพระเจ้าได้สัญญาว่าชีวิตของเรานั้นจะสวยงามเหมือนกับฟังดนตรีทั้งคณะเพราะอะไรครับเพราะว่าแรกๆ ก, ก็อาจจะบรรเลงเดี่ยวนะครับแต่พอมีเครื่องดนตรี ชิ้นที่2ที่3เข้ามาในชีวิตของเรานะครับคุณธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งเป็นพลักษณะของพระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะสวยงามจนเกินบรรยายครับสวยงามถวายเกียรติพระเจ้าอาเมน